วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เราได้มารำลึกถึงบุคคลผู้ประเสริฐที่เป็นหนึ่งไม่มีสองบุคคลคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้พระธรรมด้วยพระ อ, องค์เอง นานๆจะได้มีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของโลกได้สักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงพระองค์ก็ทรงตัดว่ายังถือว่าได้พบกับพระองค์โดยตรง เพราะพระองคทรงตรัสว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้จัดไว้ชอบแล้วนี่แลจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปทรงตรัสไว้ตอนก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรณีผ่านจากพวกเราไปพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเราแล้วจะจะไม่มีเราเป็นที่พึ่งที่พึ่งของพวกเธอ ก็คือธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนั่นเองก็คือสวาขาโตภะวตาธมโมนะทำที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นี้เป็นอาการลิโกคือไม่เสื่อมไม่หมดไปตามการตามเวลาประสิทธิภาพคุณภาพของพระธรรมคำสอนก็ไม่เสื่อม มีความสามารถที่จะดับทุกข์นำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ในสมัยพระพุทธการชั้นใดก็สามารถที่จะนำพาผู้ปฏิบัติในสมัยนี้หรือสมัยไหนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกัน นี่คืออาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ต้องเสื่อมไปตามวันตามเวลาเช่นอาหารหรือยาที่เราใช้กันทุกวันนี้จะมีฉลากติดไว้บอกวันหมดอายุบอกวันหมดประสิทธิภาพถ้าหลังจากวันนั้นไปแล้วถ้าใช้ยา หรือใช้อาหารก็อาจจะเกิดโทษได้เพราะได้เสื่อมคุณภาพไปแล้วแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสื่อมหมดไปตามวันตามเวลายังสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติตามได้เหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีประชนชีพอยู่ พวกเราจึงไม่ต้องมีความรู้สึกน้อยใจว่าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมือนกันได้ได้พบพบทมคำสอนก็เหมือนกับได้พบพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมนั่นแหล นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้ากับเรื่องของพระธรรมคําสอนที่เป็นองค์แทนกันได้ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีพระธรรมคําสอนก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าความสําคัญอยู่ที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ ถ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าแต่ถ้าอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เหมือนได้เกาะชายผ่าเหลืองได้ประทับอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวนี่คือสาระสําคัญของของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ ประสงค์ก็คือใครก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมได้เห็นพระพุทธเจ้าผ่านการเห็นพระธรรมดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องให้การและเวลามาเป็นอุปสรรคอย่าให้กิเลสตัณหาหลอกให้เราคิดว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากพวกเราไปแล้วพวกเราไม่มีที่พึ่งแล้วพวกเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องเราต้องคิดว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกสามารถที่จะยังสัตว์โลกทั้งหลาย ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าสัตว์โลกมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่หลวงตาเคยพูดไว้เสมอว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติทรรมสมควรแก่ทำอยู่ตราบนั้นพระอหรหันต์จะไม่ปราศจากโลกนี้ไปจะมีพระอหรหันต์เสมอถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ป, ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือเหตุที่จะทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่การและเวลาไม่ได้ว่าจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานต้องอยู่ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ สมัยไหนก็ได้ถ้ายังมีพระธรรมคำสอนเป็นผู้นำทางแล้วมีผู้ศรัทธาปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามอยู่ดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพึงกระทำก็คือบ่นปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบไว้ด้วยการลํำลึกถึงพระประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ศึกษาว่าทำไมพระพุทธเจ้า <c oughs> ึงต้องเสด็จออกจากพระราชวังออกจากความสุขระดับสูงสุด ข, ของมนุษย์แล้วต้องไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบนักบวช ท, ที่ต้องอาศัยการบินบาบเลี้ยงชีพอาศัยการให้ของผู้มีศรัทธาเลี้ยงดูให้อยู่ไปได้ ทำไมท่านจึงต้องออกก็เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเสด็จออกท่านเคยเสด็จออกมาภาดนอกราชวังเล็ดอบออกไปลักลอบออกไปเพราะพระราชบิดาไม่ปรารถนาให้ออกไปเห็นสิ่งที่จะทําให้พระพุทธเจ้าจะต้องเสด็จออกจากพระราชวังนั่นเอง สิ่งที่พระพเจ้าได้ทรงพบทรงเห็นที่เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์จะต้องเสด็จออกจากพระราชวังคืออะไรก็คือเทวทูตสี่นั่นเองเทวทูตสี่ก็คื อ, อผู้ที่นำสารจากสวรรค์จากพระนิพพานมาให้แก่พระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะไปนิพพานาต้องระลึกถึง เทวทูตทั้งสี่นี้เพราะถ้าลำลึกถึงเทวทูตทั้งสี่นี้แล้วจะทำให้เราไม่หลงกับความสุขที่เป็นความสุขปลอมที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่เองดังนั้นพอพระองค์ได้ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่ก็คือทรงเห็นคนแก่ ทรงเห็นคนเจ็บทรงเห็นคนตายและทรงเห็นสมณะนักบวชพระองค์ก็เลยได้ได้ความรู้ที่จะทำให้พระองค์ได้เสด็จออกจากพระราชวงังเพียงแต่ตอนนั้นยังต้องรอเวลาซึ่งพระองค์ยังไม่ได้ได้ ได้ตัดสินพระไทยว่าจะออกเมื่ไรจะออกก็ตอนที่ได้รับข่าวจากพระราชวังว่าพระมเหสีได้ประสูติพระราชโอรสเวลานั้นพระองค์จึงต้องตัดสินพระไทยออกจากพระราชวังเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะเสด็จออกได้เนื่องจากพระราชโอรนี้ เป็นเหมือนบ่วงที่จะป <c oughs> ูกมัดให้พระองค์ให้อยู่ในพระราชวังต่อไปทรงทรงท <c oughs> อุทานออกมาในขณะที่ได้ทราบข่าวว่าได้พระมเมฮีสีได้คลอดพระราชโอรสทรงอุทานว่าราหุลคำว่าราหุลเป็นภาษาบาลี แปลว่าบวงพระราชารดจึงได้สมนามได้ชื่อว่าราหุลแต่นันมา <c oughs> ทางที่พระองค์สเสด็จออกไปประทับพระพราชวังและเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นนักบวชพระองค์ทรงโอปนะอิโกทรงย้อนกลับเข้ามาที่ตัวของพระองค์เอง <c oughs> ทรงเห็นว่า ร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่เหมือนกับร่างกายของคนแก่ที่ได้ทรงเห็นร่างกายของพระองค์จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับร่างกายของคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทรงเห็นและจะต้องตายไปเหมือนกับร่างกายของคนที่ตายไปที่ทรงเห็นแล้วก็ทรงเห็นสมณะนัก บ, บวชว่าเป็นผู้แสวงหา การหลุดพ้นจากการแก่การเจ็บการตายจากการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเห็นดังนี้แล้วพ่อองค์ก็ทรงรู้ว่าพ่อองค์จะต้องเสด็จออกไปเป็นสมณะนักบวชเพียงแต่รอโอกาส ร, รอจังหวะให้ตัดสินพระไถ่ซึ่งการตัดสินพระไถยอย่างนี้เป็นการตัดสิน ปฏายที่ยากมากสำหรับทุกๆคนถ้ายังไม่มีบุญบารมีที่แก่ก้าฟองความผูกมัดกับความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสพุภาจะมีกำลังมากกว่ากำลังที่จะฉ <c oughs> ุดลากให้ออกจากราบยศสรรเสริญออกจากความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย แล้วไปบำเพ็ญชีวิตแบบสำ ม, มนักบวนได้แต่สำหรับผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีมาอย่างแ ก, ก่กล้าเช่นพระพุทธเจ้าแล้วนี้จึงไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระองค์เลยพอถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จออกจากพระราชวังได้อย่างง่ายดาย นี่คือพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงเสด็จออกจากพระราชวังเพราะทรงเห็นว่าการประทับอยู่ในพระราชวังนี้จะไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะการที่จะหนีพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้จะต้องไม่เกิดนั่นเองและการที่จะ หยุดความหยุดการเกิดก็ต้องหยุดเหตุของการเกิดก็คือความอยากทั้งหลายนั่นเองและสิ่งที่จะดับหรือหยุดเหตุของการเกิดคือตัณหาความอยากได้ก็คือการภาวนาการภาวนาก็จะต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดวิเวกอาศัยเวลาที่ ได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่ถ้าประทับอยู่ในพระราชวังก็จะติดภารกิจต่างๆของขอ ง, ของพระราชวังก็จะไม่มีเวลามากพอที่จ ะ, จะเจริญภาวนาได้และสถานที่ในพระราชวังก็ไม่ใช่เป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดเป็นไปด้วย ของบันเทิงต่างๆเครื่องบันเทิงต่างๆเต็มไปด้วยแสงสีเสียงเต็มไปด้วยความสุขทางทางราบยศสรรเสริญซึ่งเป็นภัยต่อผู้ที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าจึงทรงสเสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ทรงบำเพ็ญชีวิตของสมณะนักบวช ทรงพยารียศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ครูบาอาจารย์ที่ส่งศึกษาเพื่องสอนได้เพียงระดับสมถภาวนาคือการทําใจให้สงบดับความทุกข์ได้ชั่วคราวดับความอยากได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ดับความอยากได้ถาวร เพราะเวลาที่อยู่ในสมาธินี้จะต้องอยู่ไม่ได้นานนั่นเองอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วจิตก็จะถอนออกมาพอถอนออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องต่างๆก็จะเกิดปัญหาความอยากกับเรื่องต่างๆนั้นตามมาก็จะเกิดความกังวลกวังวลเกิดความวิตกกังวล เกิดความวุ่นวายกับเรื่องต่างๆในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตระงรับการรับรู้เรื่องราวต่างๆระงรับการคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวจะเป็นอะไรมากน้อยก็จะไม่เป็นปัญหาเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นโรคเจ็บตรงนั้นป่วยตรงนี้เวลาจิตเข้าสู่ความสงบ ก็จะไม่รับรู้เรื่องของความเจ็บของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาก็ต้องมารับรู้กับการความเจ็บของร่างกายแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาอยากให้ความเจ็บหายไปไม่อยากจะอยู่กับความเจ็บแต่ไม่รู้ความจริงว่าความเจ็บนี้เป็นอนัตตาคือไม่สามารถไปสั่งเขาได้ ไม่สามารถสั่งให้เขาหายไปได้เขาจะอยู่หรือเขาจะหายไปนี้เขามีเหตุมีปัจจัยของเขา <c oughs> ถ้ามีความอยากให้เขาหายไปก็จะเป็นการซ้ำเติมความเจ็บที่มีอยู่ในร่างกายให้มีมากขึ้นภายในใจคือเจ็บกายแล้วยังไม่พอยังมาสร้างความเจ็บใจที่มีความรุนแรง กว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันนี่คือเรื่องของความอยากอยากไม่เจ็บนั่นเองเพอเกิดความอยากไม่เจ็บก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกาย สิ่งที่ใจทนไม่ได้ไม่ใช่เป็นความเจ็บของร่างกายแต่ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเพราะไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับตนถ้ารู้และทำได้ถ้าหยุดความอยากได้จะรู้สึกว่าความเจ็บของร่างกายนี้ ไม่ยิ่งใหญ่เลยไม่ถึงกับจะทำให้ทุกทรมานใจแต่อย่างใดถ้าใจสงบใจไม่ผลิตความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปนี่คือเรื่องของสมถภาวนาจะระ ง, งับความทุกข์ใจได้ชั่วคราวในขณะที่ใจอยู่ในความสงบไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย แต่พอออกจากสมาธิมาก็ต้องรับรู้เรื่องของร่างกายรับรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้ามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะมีความทุกข์ทรมานใจนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครทรงสอนพระพุทธเจ้าได้ว่าจะทำอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทรมานใจ หลังจากที่ออกจากสมถภาวนามาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วเพราะไม่มีใครรู้นักปฏิบัติสมัยนั้นสมณ น, น, นักบวชสมัยนั้นรู้เพียงแต่วิธีเข้าสมาธิเข้าฌานเพื่อหลบความทุกข์ใจเพื่อระงับความทุกข์ใจไว้ชั่วข่าวแต่พอออกจาก สมาธิมาก็มาผลิตความทุกข์ใจด้วยการผลิตความอยากต่างๆผลิตกามตัณหาความอยากในรูเสียงกลิ่นรสผลิตวิผลิตภา ว, วะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและผลิตวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจึงเกิดความทุกข์ทรมานใจ ช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิจึงต้องกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆสมณะนักบวชบางท่านท่านสามารถเข้าสมาธิได้เป็นวันก็มีเข้าทีละสมวันห้าวัน7วันท่านมีความสุขกับการเข้าสมาธิแต่พอท่านออกมาจากสมาธิท่านก็มาเจอความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของท่าน โดยที่ท่านไม่รู้ตัวว่าท่านเองเป็นผู้ผลิตความความความทุกข์ต่างๆขึ้นมาพระพุทธเจ้าเองก็เป็นดังนั้นทรงศึกษาก็ได้รู้จักวิธีเข้าสมาธิทําใจให้สงบแต่พออกจากสมาธิทีไรก็ต้องเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเวลาคิดถึงความแก่เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาคิดถึงความตายเสมอเพราะทุกครั้งที่คิดก็จะมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแฝงออกมาด้วยนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะดับความทุกขั น, นี้จนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความทุกข์การละมาณใจที่เกิดขึ้นนั้น ก็เกิดจากปัญหาความอยากนี้เองถ้าใจไม่คิดไปในทางความอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายเพราะใจก็รู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้ต้องเกิด แล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ทรงรู้อยู่ทรงเห็นอยู่แต่ไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไปอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายหลังจากที่ทรงพิจารณาแล้วในที่สุดก็ได้คำตอบว่า ความทุกข์นี้เกิดจากความอยากนั่นเองและการจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องเกิดจากการละความอยากการจะละความอยากได้ก็ต้องสอนใจให้ฉลาดเพราะความอยากนี้เกิดจากความโง่เกิดจากความหลงหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา คิดว่าเราสามารถสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆได้คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำนมไฟเรานี้คือใจผู้มาครอบครองร่างกายชั่วข้าวเราสั่งให้ร่างกายทำนั่นทำนี่ได้ในบางบางอย่างบางเวลา แต่บางอย่างบางเวลาก็ไม่สามารถที่จะสั่งได้เช่นสั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายของเขาที่จะต้องเป็นไปถ้ามองพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงของร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่างกายเป็นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราว่าจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญญาที่จะต้องเอามาสอนใจอยู่เรื่อยๆสอนให้ปล่อยวางร่างกายเพราะไปทำอะไรกับเขาไม่ได้นั่นเอง ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามแม่เขาแก่แม่เขาเจ็บไม่ให้เขาตายไม่ได้พอปล่อยได้นะใจก็จะหายทุกข์ทรมานใจเพราะเวลาปล่อยก็เท่ากับหยุดความอยากนั่นเองไม่อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปเพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ เราสั่งเขาไม่ได้แล้วเราไปทุกข์กับเขาทำไมตัวที่ตัวร่างกายเองเขาไม่เห็นทุกข์เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของเขาเลยแต่ผู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือใจกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายก็เพราะว่าใจหลงใจไม่มีปัญญาใจไม่มีความรู้ความจริงนั่นเองว่า ร่างกายไม่ใช่ใจร่างกายเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาควบคุมหรือผู้มาครอบครองร่างกายไว้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะไปกำหนดชะตากรรมของร่างกายได้จะไปกำหนดให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่ได้กำหนดไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้กำหนดไม่ให้ตายไม่ได้ ร่างกายนี้ไม่มีใครกําหนดได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันรเร็นสริฐหรือพระที่มีอิทธิฤทธิ ป, ปาฏิหารทั้ ง, ท, งทั้งหลายก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกําหนดให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดที่ต่างกันก็ต่างกันที่ใจของแต่ละคนที่ได้พัฒนากันมา แต่ละคนไม่เหมือนกันผู้ที่ได้พัฒนามากก็มีความสามารถมากผู้ที่พัฒนามาน้อยก็มีความสามารถน้อยแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ถูกหรือในทางที่ไม่ถูกพัฒนาไปในทางที่ไม่ถูกก็จะกับสร้างความทุกข์ให้กับใจมีเพิ่มมากขึ้นพัฒนาไปในทางที่ถูก เพื่อจะทำให้ความทุกข์มีน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดอย่างพระพุทธเจ้านี้ทรงพัฒนาจิตใจไปในทางที่ถูกพัฒนาไปสู่ความสงบแต่ถ้าพัฒนาไปทางของความโลภความโกรธความหลงถึงแม้จะสามารถหาสิ่งต่างๆที่ความโลภความโกรธความหลงอยากได้มาเช่นได้ลาบยศสรเสริญสุขต่างๆ หรือได้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ความสามารถต่างๆมาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทำใจให้สงบให้อิ่มให้พอให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ต้องพัฒนาจิตใจไปในทางไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากเท่านั้นถึงจะนำพาจิตใจ ให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือจิตใจของของสัตว์โลกทั้งหลายมีความแตกต่างกันอย่างนี้น้อยคนน้อยดวงของสัตว์โลกของจิตใจของสัตว์โลกที่จะพัฒนาไปในทางที่ถูกคือทางที่นําไปสู่การ ไม่โลภไม่โกิดไม่หลงไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากหาความสุขทางตาหูจะบกนิ้กายแต่ผู้ที่พัฒนามาทางนี้ได้จะเป็นผู้ที่จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของพระนิพพานที่เรียกว่าตรมังสุขขังนี่เองนี่คือจิตใจของพระพุทธเจ้า น้าจิตใจของพระอาลัยตัสสาวร์ทั้งหลายนี่คือตัวอย่างของจิตใจที่พัฒนาไปในทางไม่โลภไม่อยากได้ตัวอย่างของผู้ที่พัฒนาไปในทางความโลภความอยากได้ก็คือพระเทวทัตเนยพระเทวทัพก็บวชรักษาศีลปฏิบัติธรรมการินสะัมภะภาวนา นได้อิทธิฤทธิปาฏิหารมีความสามารถมีฤทธิ์มีเดชแต่พัฒนาไปในทางความโลภความอยากอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้ต้องไปทำบาปทำกรรมตอนที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมอบอานาจ ให้เป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเกิดความโกรธแค้นถึงกับพยายามปรงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จจนในที่สุดก็ ก, ก็เกิดก็ต้องไปใช้กรรมถูกแผ่นดินสูบเพียงแต่ว่าโชคดีตรงที่ ก่อนจะถูกแผ่นดินสูบก็เกิดความสำนึกผิดและได้ขอถวายขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าความสำนึกผิดนี้เป็นเหตุที่จะทำให้บุญกุศลที่พระเทวทัตได้บำเพ็ญมานั้นไม่สูญเปล่าไปเพราะหลังจากที่พระเทวทัตต้องไปใช้กรรมในนรกจนหมดแล้ว ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้ได้ปฏิบัติจนนุษล์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือตัวอย่างของการพัฒนาจิตใจไปในทางความโลภความอยากต่างๆดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องคอยระมัดระวังคอยสังเกตดูว่าพวกเรากำลังปฏิบัติ เพื่อความโลภความโกรธความหลงเพื่อความใหญ่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตรหรือว่าเราปฏิบัติเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัตินะเราเห็นโน่นเห็นนี่เรามีฌานระดับนั้นฌานระดับนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลหลักที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะเอื้ออํานวยต่อการทําลายความโลภความโกรธความหลงเอื้ออํานวยต่อการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเป้าหมายของการปฏิบัติหรือศัตรูของผู้ปฏิบัติก็คือกิเลสตัณหานี้เท่านั้น ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราเห็นนั่นเห็นนี้เราได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราโลภเราอยากหรือเปล่าเราติดหรือเปล่าเราอยากจะได้สิ่งเหล่านี้อยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าเชียอมได้ชาญแล้วก็อยากจะให้มีชาญอยู่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเราไม่รู้ว่าหรือว่า ฌานนี้มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อจะใช้ในการต่อสู้กับความอยากต่างๆถ้าเราติดฌานติดสมาธิเราก็จะไม่สนใจที่จะออกเจริญวิปัสสนาเราจะไม่สนใจพินิพิจณาอเนจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเข้าสมาธิเข้าฌานอยู่เรื่อยๆเวลาไม่สบายใจเวลาใจฟุ้งก็กลับเข้าไปในสมาธิ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิเพราะไม่รู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิเท่านั้นปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อจะได้เอาสมาธิมาเป็นเครื่องมือไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปเพราะถ้าไม่มีสมาธินี้ใจจะไม่มีกำลังต่อสู้ กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนั่นเองเวลาเกิดความโลภนี้จะต้องคล้อยตามความโลภไป ท, ทันทีเวลาเกิดความอยากนี้จะต้องทำตามความอยาก ท, าทันทีเพราะไม่มีแรงต้านแต่ถ้ามีสมาธิแล้วจะมีแรงต้านเพราะมีความสุขที่ได้จากสมาธิที่ทำให้ใจสามารถสู้กับความอยากได้ คือไม่ทำตามความอยากก็ยังมีความสุขได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีความสุขสัมลองที่จะเอาไว้รับกับความอยากพาะเกิดความอยากก็ต้องไปทำตามความอยากทันทีเช่นคนที่ติดบุหรี่ติดสุรานีเวลาเกิดความอยากก็หยุดไม่ได้ ต้องดื่มสุราต้องสูบบุหรี่แต่ถ้าได้ทําใจให้สงบแล้วเวลาเกิดความอยากเกิดความอยากดื่มสุราหรือสูบบุหรี่จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดได้ให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ให้เห็นโทษของการดื่มสุรายาเบาว่าเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขเดียวเดียว ทุกมากกว่าทุกเพราะจะต้องเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาสุบบุรีไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต้องมีปัญหากับปอดดื่มสุราก็ต้องมีปัญหากับตับกับไตจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เวลาดื่มวเวลาสูขนี่ก็ได้ความสุขเพียงเดียวเดียว หลังจากนั้นก็เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะดื่มจะสูบใหม่ก็ต้องดื่มต้องสูบไปเรื่อยๆพอดื่มพอสูบไปเรื่อยๆก็จะไปทำลายร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปก่อนวัยอันควรนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจถ้ามีสมาธิแล้วจะมีกําลังที่จะ คิดทางเหตุทางผลได้แต่ถ้าไม่มีสมาธินี้อารมณ์อยากมันจะมีกำลังมากทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่ความอยากได้ดังนั้นสมาธินี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญแต่ไม่ได้เป็นผลสุดท้ายของการปฏิบัติสมาธิเป็นเพียงผลแรกที่เราต้องการใช้ เป็นบันไดเพื่อจะได้ก้าวขึ้นสู่ผลสุดท้ายต่อไปผลสุดท้ายต้องเกิดจากการระงับดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเท่านั้นจะระงับดับได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนแล้วมีปัญญาเป็นผู้ทําลายเพราะว่าความอยากเกิดจากความหลง หนงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นโทษเป็นทุกข์นั่นเองต้องใช้ปัญญามาแยกแยะมามาชี้แจงให้เห็นชัดเลยว่าสิ่งที่อยากได้นั้นจะต้องสร้างความทุกข์กับผู้ที่ได้มาแล้วเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องดับไปในที่สุดเวลาสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนไปแล้วดับไป ก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับผู้ที่ได้สิ่งนั้นมานั่นเองแทนที่จะได้ความสุขก็จะได้ความทุกข์เวลาที่เราเห็นคนร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะอนิจจานี่เองความไม่เที่ยงสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียบุคคลที่รักไปก็ทาให้เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับและบางครั้งบางท่านบางคนก็ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปนี่คือความทุกข์ที่ได้จากความหลงไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาเป็นสมบัติของตนมาให้ความสุขกับตนเพราะไม่เคยมองถึงความไม่เที่ยงของบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่ได้มานั่นเองว่าจะต้องมีการเสื่อมและมีการหมดไปในที่สุด <c oughs> นี่คือปัญญาถ้าเราอยากที่จะหยุดความอยากเราต้องพิจารณาความเสื่อมอยู่เรื่อยๆความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้หรือที่เรามีอยู่แล้วแล้วเรายังหวงยังห่วงยังยึดติดอยู่เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆ และเราจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความห่วงความยึดติดเราจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไม่ให้สั่งให้เขาไม่ไม่เสื่อมไม่ได้เขาต้องเสื่อมไปเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอนิจจาเขาให้ความทุกข์กับเราเพราะเราไปหลงรักเขาไปหลงยึดติดกับเขาได้อยากให้เขาอยู่กับเราไปนา น, าน อยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆนี่คือความหลงที่เราต้องใช้ปัญญามาแก้มาสอนให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถไปสั่งเขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้พราะเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้ สิ่งที่อยากได้ก็ไม่อยากได้สิ่งที่มีอยู่ก็ไม่หวงไม่ห่วงยอมให้เปลี่ยนยอมให้ดับไปเช่นนั่งกายยอมให้แก่ยอมให้เจ็บไข้ได้ป่วยยอมให้ตายไปถ้ายอมแล้วใจจะหยุดหยุดความอยากจะไม่อยากเมื่อไม่อยากแล้วใจก็จะเย็น เขามีสูตรที่เรียกว่าสามยอมยอมหยุดเย็นยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอยอมรับความจริงแล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบเย็นสบายท่ามกลางความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายท่ามกลางความเสื่อม ของทุกสิ่งทุกอย่างท่ามกางการพลาดพลาดจากไปของสิ่งที่รักที่ชอบใจจะเย็นจะเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกที่เป็นเหมือนกับวันนี้อันนี้เป็นความวิเศษของพระพุทธเจ้าเพราะว่า เป็นของที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกคนทุกตัวแต่ไม่มีสัตว์โลกตัวใดหรือคนใดรู้ความจริงอันนี้เลยไม่รู้ว่าความทุกข์ภายในใจของตนนั้นเกิดจากความอยากของตนเองไม่รู้จากวิธีดับความทุกข์ภายในใจของตนว่าต้องดับด้วยการใช้สมถะภาวนา ใช้การทาใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ตนอยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของตนที่จะไปควบคุมบังครับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไป ม, มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองท่านจึงเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ตัดสู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบบุคคลอื่นที่ได้มารู้ธรรมา น, นี้ภายหลังไม่ได้เรียกตนเองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะมีชื่อเรียกว่าพระอรหันตสาวกผู้ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยการเป็นสาวกคือสาวกแปลว่าอะไรสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังนั่นเอง ต้องฟังจากพระพุทธเจ้าก่อนต้องได้ยินเรื่องพระอริยาาสัจสี่จากพระพุทธเจ้าเพราะไม่ฉลาดพอที่จะมองเห็นพระอริยาาสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของตนได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนทำไมไม่เห็นอริยาาสัจอริยาาสัจสี่ภายในใจก็เพราะว่าใจไม่ชอบมองก็ามาข้างในนั่นเองใจชอบมองออกไปข้างนอก ชอบมองออกไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพะชอบมองลาบยศสรรเสริญจึงทําให้สิ่งที่มีอยู่ภายในใจกับมองไม่เห็นเหมือนกับร่างกายของเรานี้เรามองร่างกายของเราไม่เห็นถ้าไม่มีกระจกสองนี้เราจะไม่เห็นร่างกายของเราเราจะเห็นร่างกายของคนอื่นเพราะตาของเราหันออกไปข้างนอก ตาของเราไม่สามารถหันกลับเข้ามาดูร่างกายของเราได้ชั้นใดใจของเราใจของผู้ที่ยังมีความหลงอยู่ก็เป็นอย่างนั้นไม่มองกลับเข้ามาข้างในมองออกไปข้างนอกมองไปเห็นลาบยศรเสริญเห็นลูกเสียงกลิ่นรสผลภาแล้วก็เลยเกิดความหลงเกิดความอยากว่าสิ่งที่เห็นนั่งจะให้ความสุขกับตน ก็เลยอยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกินรสผลธตภัแต่ไม่พิจารณาถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาให้ความสุขแท้หรือให้ความสุขปลอมเขามีความทุกข์หรือไม่มีความเขาให้ความทุกข์หรือไม่ให้ความทุกข์เขาเป็นของเราตามที่เราคิดหรือไม่ เราสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่ไม่เคยคิดกันพอเห็นลาบยศฉลเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็จะเกิดความอยากได้ทันทีเพราะหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนแต่พอได้มาแล้วเวลาที่เขาเสื่อมหรือหมดไปเวลานั้นก็จะได้เห็นความทุกข์ที่เกิดจาก การสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกพวกเราจะไม่มีวันที่จะได้รู้ความจริงอันนี้เราไม่มีความสามารถพอที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเรามีความสามารถพอที่จะฟังแล้วนำม อ, อกไปปฏิบัติได้ เราสามารถเป็นพระอรหันตสาวกได้แต่เราไม่สามารถเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะการจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะต้องบำเพ็ญ บ, บุญบา ร, รมีมาอย่างโชคชนถ้าเราเป็นได้ตอนนี้เราก็คงเป็นกันไปแล้วการที่เราเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้มีบุญบา ร, รมีสะสมมาอย่างพอเพียงนั่นเอง เราจึงต้องอาศัยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งสะสมมาพอเพียงแล้วทําให้พระองค์เห็นพระอริยสัจสีได้ด้วยพระองค์เองพอพระองค์เห็นแล้วทีนี้ก็ง่ายสําหรับผู้อื่นพอได้ยินได้ฟังจากพระองค์เราก็สามารถที่จะปฏิบัติบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เราสามารถดับความทุกข์ ดับการเวียนไหวาตายเกิดได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องมาบำเพ็ญบรารมีอย่างโชคโชนเหมือนกับพระพุทธเจ้า mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะวนไปเวียนมาในวัตะแห่งการเวียนไหวาตายเกิดนี้เพราะเราจะถูกความหลงหลอกให้เรา หาแต่ลาภยุศสรเสริญ MM หาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลึนกายแล้วก็ต้องมาทุกกับความเสื่อมของลาภยุศสนเสริญ MM ทุกข์กับความเสื่อมของตาหูจมูกลึนกายก็คือร่างกายของเรานี่ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวพุทธเราเพราะถ้าไม่มีวันตรัสรู้ ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีธรรมะมาสอนพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่นี่เรามีวันนี้มีวันวิสาขาบูชามีวันตัดสุขของพระพุทธเจ้ามีวันที่ทําให้พวกเราได้รู้พระอริยสัจสี่รู้จากทางที่จะนําพาพวกเราไป สู่การซึ่งสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสู่การดับของความทุกข์อย่างถาวรพวกเราจึงถือว่ามีโชคมีวาสนาเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบวันนี้วันวิสาข บ, บูชายินขอให้พวกเราจงน้อมลำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งนำเอาความรู้ที่มหศัศจรรยใจนี้ มาเผยแต่สั่งสอนให้แก่พวกเราทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยแต่ก็อยู่ที่เราเองเหมือนกันว่าเราจะปฏิบัติตามได้หรือเปล่าการจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นนี้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงทาหน้าที่ของต่องแล้ว คือค้นหาความจริงแล้วก็เอาความจริงนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้แล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่อันนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองแต่ถ้ามีความศรัทธามีวิริยะความภาคเพียรมีสติจะเจริญที่จะปฏิบัติสติสมาธิปัญญาตามที่ทรงได้สั่งสอนให้ปฏิบัติ รับองได้ว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นต่ำอันนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะ บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านี้อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปปฏิปันโนขอให้พวกเราจงพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เถิดแล้วรับรองได้ว่ามักผลนิพพาน การบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์นี้จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกละละ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเทนีขอบุญกุศลและคุณพระศีรัตนต์ไตที่ท่านได้มากราบไหวบูชาและมาบำเพ็ญจงปกป้องคุ้มครองรักษาส่งเสริม การปฏิบัติของท่านให้เจริญ่วงเิืองก้าวหน้าตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดต่อไปเอวังก็มีด้วยปะการลราชนี้พี่กายอยากจะถามอะไรไหม อยู่ตรงนั้นูบก็ห้าหักลงแล้วจะตกลาหล่อมพอหักลงไปหนูก็ไลยลงจากรถเข้าไปด้วยแต่กับเขาลงไปไปเจอแม่หนูว่าตาผ้าถุงผ้าไหมาตาอซักผ้าตาเนี่ยทำไรู้ฝันอย่างนั้นล่ะก็ความฝันก็เป็นความฝันไม่ใช่ความจริงออ <laughs> ดูความจริงอย่าไปดูความฝันเป็นหลักความฝันอาจจะตรงกับความจริงก็ได้ไม่ตรงกับความจริงก็ได้ ความฝันก้ให้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหางให้รอพิสูจน์ก่อนถ้าฝันแล้วจริงฝันแล้วแม่นก็แสดงว่าเราฝันแม่นถ้าฝันแล้วไม saber, to, AD, okay. ่แม่นก็ถือว่าเป็นก็ไม่แม่นก็เท่านั้นเองแม่งนะพรุเม็นนอนในนี้นอนในน่นถึงก็ตีลันตายท้ายพอยูอยรเา่า้ยังไม่ตายเนี่ยยังมาได้ยังมาเล่าอ่ะง แสดงว่าไม่แม่นอาจารย์เจ้าค่ะแต่ขออนุญาตอยากเรียนถามว่าถ้าเราพอช่วงไหนที่เราไม่มีความเพียงสม่ำเสมอแล้วก็ขาดการปฏิบัติบ้างน้อยลงแล้ว พอถ้ามาทําเนี่ยมันจะกลับเหมือนเดิม น, นะคะแล้วล้วถ้าแบบพอกลับมาทําพอทําให้สม่ำเสมอแต่พอเวลามาทำเนี่ยบางทีแค่แป๊บเดียวก็ก็นิ่งสงบแล้วรู้สึกตัวแบบค่อยๆแบนอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนมีแรงเยอะๆมันมันเราฟุ้งซ่านหรือเปเพราะอะไรถ้าเราปฏิบัติมันก็จะสงบถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะฟุ้งซ่าน พราะเราไม่ควบคุมความคิดของเราความคิดของเรานี้จะสงบก็ต่อเมื่อเรามีสติคอยควบคุมเช่นถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะสงบได้พอเราไม่บริกรรมพุโทโธเดี๋ยวก็ไปคิดเัืงนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องยาวไปแล้วก็จะเกิดอาการทุกข์สั้นตามมาได้ อยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่ที่การเจริญสติของเราเหมือนเหมือนกับรถยนต์นะ่ะรถยนต์ถ้าวิ่งลงเขาถ้าเราไม่เหยียบเบรคมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆความคิดของเราก็เหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขาถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราไม่ใช้พุทโธเบรคว่ามันก็จะคิดไปมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดมันก็จะพุ่งสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบใจเราเย็นสบาย เราก็ต้องพุทธโธอยู่เรื่อยๆถ้าเราใช้ถ้าเราชอบพุทธโธก็ใช้พุทธโธอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ชอบพุทธโธเราชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆเราชอบอะไรเราก็ใช้วิธีหยุดใจวิธีนั้นมีหลายวิธีด้วยกันธรรมาฐานสี่สิบนี้เป็นเป็นวิธีหยุดความคิดปรุงแต่งของใจแต่ที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือบริกรรมพุทธโธ หรือถ้าร่างกายก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายร่างกายกำลังเดินก็ให้เข้าอยู่ดูการเดินอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. เวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. ต้องมีอะไรคอยเบรคความคิดของเราคอยหยุดความคิดของเราถ้าเราไม่หยุดความคิดมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปจนบางทีนอนไม่หลับ เราต้องใช้อุบายของอกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็าตามใช้ได้ทั้งหมดแหละแล้วแต่จะถูกจริตกับเราถ้าเราขี้เกียจเราก็จะไม่พุทโธพอไม่พุทโธใจก็จะรุ่มร้อนขึ้นมาใจจะวุ่นวายขึ้นมาถ้าเราขยันท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยใจก็จะว่างใจเย็นจะสบาย อยู่ที่ตัวเรานะผลมันเกิดจากการกระทาของเราไม่ได้เกิดจากความอยากของเราเราอยากจะได้ผลแต่ถ้าเราไม่ทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลมันก็จะไม่เกิดถ้าเราต้องการความล่มเย็นเป็นสุขความสบายใจเราก็ต้องเจริญสติต้องบริกรรมพุทโธต้องสวดมนต์หรือต้องควบคุมความคิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะนับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับไปเรื่อยๆเพื่อจะหยุดความคิดไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้เย็นได้เหมือนกันขอให้เรามีความเพียร น, นั้นสิ่งที่เราขาดกันมากก็คือความเพียรเพียรกันได้แค่สองสามนาทีพุโทโธสองสามนาทีก็ไปแล้วกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแล้วไม่ทาอย่างต่อเนื่อง ใจไม่จดจ่อไม่คอยเฝ้าดูว่าทะเลทลยไปทำเรื่องอื่นหรือเปล่าเริ่มต้นก็ดีพุโทโธไปสักพักเดี๋ยวกลายเป็นปเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วต้องคอยเฝ้าดูอย่าเผลอถามตัวเองว่าตอนนี้พุโทโธอยู่หรือเปล่าต้องทาพยายามทำไปฝึกไปไม่ไม่นันก็จะเผลอเรื่อยๆเพราะนิสัยเราไม่ชอบถูกบังคับให้คิดในเรื่องที่มัน ไม่เกิดอารมณ์เราชอบคิดในเรื่องที่ทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาด้เราต้องพยายามบังคับบังคับให้คิดในเรื่องที่จะทาให้ใจเย็นให้ใจสบายพอได้ผลครั้งเดียวเราจะติดใจจะเห็นคุณของการบังคับให้บริกรรมพุทโธแล้วต่อไปไม่ต้องบังคับมันจะถือเป็นเป็นสาระเป็นที่พึ่งเลย ว่าเวลาใจสงบแนละ้วมันไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขถ้าใจไม่สงบนี้ต้องไปหาหนู่นมาดื่มต้องหานั่นมารับประทานต้องหาหนึงสิ่งนั้นมาดสูสิ่งนี้มาฟังหาหาไปหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าหาพุทโธเจอได้พุทโธแล้วทีนี้มันจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องดินน้นรน ไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็ต้องหมดไปเวลาเปลี่ยนไปหมดไปก็เสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันแต่พุโทโธนี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมจากใจถ้าเราสามารถสร้างพุโทโธขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถสร้างไปได้เรื่อยๆรักษาพุโทโธให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไม่เป็นปัญหายังขอให้เรามีความภาคเพียรท่า น, นบอกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นด้วยความอยากนั่นขอให้พยาห ม, มันเพียรเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับลองทำดูถ้าทำได้วันเดียวก็บรรลุได้ ที่ไม่บรรลุ ก, ก็พราไม่ทำกันอาการจะถวายของเข้ า, ขามาเดี๋ยวจะให้พรนะ อ่าดีเจ้าห้อที่ไ น, น, น, นะมีเรื่องใหม่ของนั้นในแผนซีดี <CD S 1> นี่ก็มีไฟล์เปิดอ่านได้ทุกเร่อเลยนะถ้าอยากจะอ่านเรื่องอ่นก็เปิดในแผ่นซีดีได้อะเราได้กำลังใจมาก วันนี้จะให้อนาโมทนาให้พรเพืยท่านที่ต้องการจะกลับจะได้กลับไปได้ยะทาวไรวาหาปุราปะลิปุเรนติสากละงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตตสัเพปุเรนโุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะโตวันตระายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริตสนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลัง